ส้นฟังที่เคารพคะ่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสําหรับรายการสัมมนาสนท น, นาช่วงที่ท่านคุณลังจะได้พบ ก, กับพระอาจารย์เผบุญอภิปุณโญเพราะว่าในส่วนของท่านมารนะพบ ก, กันไปก่อนหน้านี้แล้วปฏิบัติธรรมกันฟังพระสูตรกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสําหรับท่านที่หยุดเข้าพรรษาเพิ่งมาเปิดฟังก็จะกลับเรียนให้ทราบนะคะว่าเรามีช่วงเวลาที่จัดให้เป็นพิเศษสําหรับเทศกาลเข้าพรรษาคือท่านเผยบุญนั้น ก็จะได้นําเอาพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติของพระองค์เองที่ตรัสเล่าเองนะคะกับในส่วนของเรื่องอริยสัจสี่อย่างละเอียดส่วนจะละเอียดมากน้อยอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยนะคะพระอาจารย์ไพล์บุญอภิปุณวัตรปารณไทยโสอุดรธานีน้มสักการะท่าน ค, ค่ะจ้าเชอรีพรในคราวนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพุทธประวัติต่อต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของอพระมันดา นว่าจะมีลักษณะอย่างไรทีนี้ก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องการเกิดตอน<ข>ที่ออกมาจากคันอย่างนี้นะ<ข>ลักษณะการที่ออกมาจากคันเนี่ยก็มีความน่าสนใจอยู่หลายประเด็น อ, อย่างเช่นว่าเวลาพระพุทธเจ้าออกมาเนี่ยคือโพธิสัตว์ออกจากคันมารดาเนี่ยก็พวกเทวดา ย, ย่อมเข้ารับก่อนนะํามนุษย์เข้ารับทีหลัง ค่ะนะคือพวกหมอตำยาคนทำคลอดอเงี้จะเข้ารับที่หลังแล้วก็เวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเปื้อนด้วยน้าเมือกหรือว่าเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดด้วยหนองหรือของไม่สะอาดเปราว่าทารกสะอาดใช่เพราะว่ามีผิวละเอียดนะพวกทุลีหรืออะไรต่างๆนี่มันมันจับไม่ได้วางงั้นเถอะลื่นไปเลยอย่างเงี้นนะค่ะแล้วก็เวลาที่ประสูดออกมาแล้วเนี่ย ก็จะมีท่อน้ำออกมาจากอากาศเลยอันนี้ก็เป็นที่เทวดาเขาจัดการให้<อ>เป็นสิ่งที่จะต้องต้องใช้เมื่อกิจที่เกี่ยวกับน้ำน้ำเย็นท่อหนึ่งน้ำร้อนท่อหนึ่งค่ะแล้วก็ที่เราจะทราบกันก็คือว่าพ อ, อาคลอดออกแล้วเนี่ยก็เหยียบพื้นดินนะเราก็เดินไปทางเหนือเจดเก้านะเราก็ไม่จากพระโอทมีด้วยัหมคะตอนนี้ใช่เป็นพระโอ์เหมือนกัน พ oh. ระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าแล้วก็พ อ, อประสูตรออกมาแล้วเนี่ยคลอดออกจากคันมารดาเดินไปทางเหนือเจก้าแล้วก็กล่าวว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกนะเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีดังนี้ค่ะที่ฉันจาได้ว่าเราเรียกว่าเป็นอาสภิวาจาใช่อาสพิวาจาอาสภิวาจ า, า, า, จาใชา่ตรงนี้ก็อัตถกถาก็จะ มีการอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเวลาออกจากคันเนี่ยเขาก็จะอธิกราจะอธิบายว่าเท้าออกมาก่อนไม่ใช่หัวออกมาก่อนค่ะนะเด็กทั่วไปจะหัวออกก่อนใช่แต่เราก็ปรากฏเห็นว่ามีเด็กที่เอาเท้าออกมาก่อนก็มีเหมือนกันนะบางคนเด็กตั้งท่าลักษณะไหนก็ไม่รู้แหละเท้าอยู่ข้างล่างแล้วก็หัวอยู่ข้างบนอย่างนี้นะค่ะอันนี้อธกราเปล่าให้ฟังจริงไม่มีพุทธวจนะได้อธิบายรายละเอียดตรงนี้ อ่าแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยออกจากคันมารดาเนี่ยนะในช่วงนั้นก็จะมีแสงสว่างที่เกิดขึ้นอย่างมากเหมือนอย่างตอนที่ก้าวลงสู่คัน์แลัวก็แผ่นดินก็ไหวเหมือนกันเลย อ, อแล้วนี่ที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่ออกจากท้องแห่งมารดาเนี่ยโพธิสัตว์เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอืมค เ, เมื่อใดโพธิสัตว์ออกจากคันแห่งมันดาเนี่นะก็ตอนนั้นก็มีสติสัมปชัญญะเหมือนกันตัวทารกโพธิสัตว์เองเนี่ยนะคะใช่มีสติสัมปชัญญะค่ะอแล้วก็เรื่องการกล่าววาจาอสพิวาจาหรือว่าการเดินเนี่ยเราก็ได้ทําข้อสังเกตไปในข่าวที่แล้วนิดนึ่งนะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการที่อยู่ในคันนานเนี่ยทําให้ร่างกายได้การรับการพัฒนาไปอย่างมากค่ะก็เลยเ ก็เลยทำให้สามารถจะเดินได้ได้สักระยะหนึ่ ง, งนี่นะค่ะออขออนุญาตตัดตอนตรงนี้เลยได้ไหมคะว่าดิฉันเองก็เคยเห็นคนที่เขาสงสัยคือยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้ามากมรู้ตัวว่าเป็นศาสดาของแต่ละคนก็ไปถามพระที่ศรีลังกาไปด้วยกันนะค ะ, ะบอกว่าจะทำให้เขาเชื่อได้เนี่ยต้องอธิบายได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ยังไงที่ออกมาจากคันแล้วก็จะเดินเลย เจ็ดเก้าก็ตอบกันชนิดที่ว่าไม่สามารถทำความกระจ่างให้น้องคนนั้นเ็เป็นนักข่าวได้วันนี้มาฟังจากท่านภัยบูลท่านบอกว่าพระมารดาตั้งคันสิบเดือนใช่ไหมคะใช่สิบเดือนเต็มก็เข้าใจว่าหน้าที่จะทำให้ทารกเจริญเต็มที่ใช่ใช่ที่สำคัญที่น่าน่าต้องสนใจก็คือว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ใครเอามากล่าวแต่เป็นพระพุทธองค์ตรัสไว้เองอในพุทธประวัติจากพระอ์ พุทธวจนะได้ไดตราดมาเองนี่เป็นพุทธวจนะด้วยค่ะในเรื่องนี้ท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะสําหรับเรื่องการประสูตรมีเท่านี้เรื่องการ อ, ออกจากคันของมารดามีเท่านี้งั้นเดีฉันขอต่อ น, นิดนึงก็เกรงว่าเวลาท่านจะไม่ทันว่ า, าก่อนหน้าเนี้ท่านภุ่มพูลได้เคยพูดถึงว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตเนี่ย เ, าเราอาจจะเคยเห็นนะคะที่ว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยออกจากคันปุ๊บเดินได้เลยอื เพราะฉะนั้นทําไมพระศาสดาของเราเป็นถึงพระศาสดามีปฏิหารเยอะแยะมากมายในการมาเกิดของพระพุทธองค์นะคะจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ออกจากพระโอษฐ์ศัตธาในพระศาสดาก็ต้องบอกว่าไม่น่าที่จะต้องสงสัยต่อ อ, อย่งั้นหรือ่าคะก็ก็นี้เป็นพระวจนะนะเราก็อะไรที่ถ้าสมมติท่านผู้ฟังยังมีความสงสัยอยู่อายกไว้ก่อน นะเรื่องไหนที่ยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ยกไว้ก่อนพระเจ้าให้ศึกษาในลักษณะนี้เรื่องไหนที่ลงกันได้คุยกันได้เนี่ยเรามาพูดกันก่อนนะคุณทําาความเข้าใจเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ไปก่อนเรื่องไหนยังเข้าใจไม่ได้ยังติดค้างอยู่ยัง ง, งูงงสงสัยก็ยกไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคุยค่อยมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมค่ะ อย่างประเด็นเรื่องของเวลาที่มีท่อหน้ําออกมาจากอากาศ่คุณโยมติวตอนที่ <คะ S 1> พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมกิจ ท, <คะ S 1> ท, ที่ต้องใช้น้ําเย็นก็มีท่อน้ําเย็นกิจที่ต้องใช้น้ําร้อนก็มีทอ่อน้ําร้อนอย่างเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยแสดงอภินิหารลักษณะนี้หลังจาก เ, าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็ค <ะ S 1> ือวา่ายมกะปฏิหารคือลักษณะที่ออกมาเป็นคู่คู่มีท่อหน้ําเย็นทอน่อน้ําร้อนแล้วก็อีกหลายอย่างเป็นไปนหมดเลย<อ>เป็นปาฏิหาร ฟังพุทธประวัติจากพระโอษไปเรื่อยๆจะพบตอนนั้นไหมคะจะจะพบตอนนี้เหมือนกันอ๋อค่ะงั้นเราก็อยู่ที่แค่นี้ใจไว้ อ, อดใจดใจไว้ ถ, ถึงตอนนั้นเพราะท่านไผบุญก็กําลังจะมีเรื่องที่น่าสนใจมากพอๆกันมาบอกอีกนั่นก็คือคืออริยสัจก่อนที่จะไปถึงอริยสัจจากพระโอษเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนต่อไปนี่สําคัญมากอย่าพลาดเลยคือเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ32ประการซึ่งจะมีแง่มุมที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์ลักษณะ มาวุามยี่สอย่างอย่างนี้นะอันนี้ที่เป็นรายละเอียดที่เยอะมากเหมือนกันก็จะค่อยมาเล่าต่อในตอนต่อไปทีนี้พอมาถึงเรื่องของอริยสัจ4ที่วันนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก็คือว่าเวลาที่ใครก็ตามเนี่ยที่รู้อริยสัจ4ี่แล้วเนี่ยนะก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถทําให้ทุกข์หมดไปได้คือบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันทําให้ทุกข์หมดได้โดยที่ไม่ต้องรู้อ ร, ริยสัจสก็ได้ ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคําพูดของเขาเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับว่าจะสร้างเรือนนะ่ะจะสร้างบ้านคุณบอกสร้างจากหลังคาก่อ น, น, นแล้วก็ทําเสาแล้วก็ทําต่อหม้อแล้วก็มาเติมผนังติดเฟอร์นิเจอร์ภายในมันทําให้ได้มันต้องสร้างจากฐานรากขึ้นมาก่อ น, น, นแล้วก็หลังคาบ้างผนังบ้างข้างในอะไรต่างๆไปเหมือนการเวลาที่เราจะทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ปรากฏได้เนี่ยคุณจะต้องรู้อริยสัจสี่ก่อ น, น, นเป็นเบื้องต้นเลย ระดับไหนก็แล้วแต่อันนี้พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญตรงนี้เอาไว <Okay. S 1> ้ส่วนเรื่องของอริยสัจสี่อีกประการหนึ่งก็คือว่าคนไหนที่รู้อริยสัจสี่เนี่ยลึกซึ้งแล้วนะเหมือนมีพระหลายท่านเนี่ยที่เป็นฝรั่งอย่างเงี้ยที่เขามาศึกษาศาสนาพุทธแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พบว่าโอ้แค่นี้พอละนะเราไม่ต้องไปศึกษาอย่างอื่นแล้ว นะซึ่งอันตรงนี้พระพุทธเจ้ายกอุปมาอุปไมยอาไว้ในะลักษณะนี้ว่าเหมือนเสาหินเนี่ยที่ยาว16ศสอกเสาหินตั้งแท่งนะคุณโยมติว๋วไม่มีรอยต่อเลยนะเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งสอกยาว16ศสอกฝังลงในดินลึกอย่างดี8ศสอกโผล่ขึ้นดินพ้นดิน8ดสอกเนี่ยลมเหนือใต้ออกตกพัดมาเนี่ยไม่สะเทือนไม่สะทานไม่สันรรัวไปได้นะเพราะว่าความที่รู้เรียสัตี ถ้าใครที่รู้อริย ส, สัจสมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยก็จะถึงความมั่นใจได้เหมือนอย่างสาวหินเนี่ยมีความมั่นใจมากนะไม่ว่าจ ะ, ะโดนลมมาทางไหนก็ไม่กระเถือนแต่เพราะเด็นถ้าเรารู้อริย ส, สัจสอ่อย่างเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วเราจะพบว่าโอ้คําสองพระเช้านี้จบเลยพอละนะทําให้เราสบายใจได้นะเหมือนฝรั่งหลายคนที่ก็มาศึกษาศา ส, สนาพุทธแล้วก็มีความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมาเนาะค่ะ พระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันอีกว่าพระองค์เนี่ยสอนแต่เรื่องเรีย ส, สัจสีแล้วก็ไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องเช่นว่าพระพุทธเจ้ามีอีกไหมพระพุทธเจ้าเป็นมายังไงโลกอื่นมีไหมโลกนี้เป็นยังไงพวกนี้เนี่ยนะเป็นคําถามที่เรียกว่าทิฏฐิ10ประการที่เป็นคําถามที่เรียกว่า ด, าด่าดืนอยู่ในสมัยพุทธกาลน่ยนะ เขาเห็นดวงจันทร์อยู่อย่างนี้เขาก็คิดว่าโลกอื่นมีไอ้บางคนบอกไม่มีหรอกไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกเราพูดถึงเรื่องที่ปัญหาเราอยู่ตรงหน้าก่อนนะคือเรื่องของความแก่ความตายจะแก้ยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่ค่ะก็ <c oughs> เลยยกตัวอย่างประกอบให้ฟังนะมีบางมีคนคนหนึ่งเขาตั้งใจว่าจะคิดเรื่องความคิดเรื่องโลกนะคือโลกต่างๆเป็นยังไงอย่างนี้นะ <illar> เขาก็เลยออกไปหาความจริงปรากฏว่าไปสะบัวแห่งหนึ่งชื่อสุมาคตาคุณยมติ๋วแล้วก็ไปนั่งคิดเนี่ยนั่งไข้ครวนคิดอยู่ที่ริมฝั่งสะนะก็เลยเห็นหมู่กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถแล้วก็กองพลเดินเท้านะเข้าไปอยู่สู่เง่ารากบัวนะกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลเดินเท้านะเข้าไปสู่เง่ารากบัวมันเป็นไปได้ยังไงเขาก็เลยเกิดความว่าโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เล่านี่บ้าไปแล้วแน่นอน ก็เลยรีบกลับไปที่เมืองนะบอกว่าสงสัยข้าพเจ้านี่จะบ้าไปแล้วนะจะไปบอกคนอื่นให้ฟังว่ า, ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาก็ถามว่าเห็นอะไรมาไอตาเพราะคนนี้ก็เลยบอกทุกประการนะชาวเมืองก็บอกว่าเธอนะ่ยบ้าจริงๆ <c oughs> ยืนยันให้ทราบว่าบ้าจริงๆนะเรื่องอื่นที่มัน เ, เขาเรียกว่าเรื่องที่วิกลจริตไปมากกว่านี้เราเรายังเคยพบเห็นมาก่อนนะอย่างคดี ใครได้เคยดูหนังเรื่อง X Files อ่าที่เป็นหนังสืบสวนสอบสวนของของฝรั่งเขาอะนะค่ะที่มีกดีความประหลาดประหลาดเงี้ยเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่อง E.T เรื่อง U.F.O เรื่องสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ท, ง ท, งทางวิทยาศาสตร์พวกนี้เป็นเรื่องลึกลับทั้งนั้นไม่ต้องสนใจพรชาบอกเพราะว่าสนใจแล้วเป็นยังไงสนใจแล้วมันไม่จบมันยังต้องตายอยู่ดีต้องแก่อยู่ดีและแก้ปัญหาชีวิตเราก็ไม่ได้ให้มันสนใจเรื่องอุทสารสีดีกว่า เปรียบเทียบลักษณะนี้ก็จึงบอกว่าอย่าคิดเรื่องโลกนะแต่จงคิดเรื่องอริยสัจแล้วก็อย่าไปเถียงกันด่ากันว่ากันเลยว่าเธอต้องมีอำนาจอย่างนั้นการเมืองต้องเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งต่างๆต้องเป็นอย่างนี้การทําการตลาดต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยเถียงกันไม่จบงั้นมาพูด <c oughs> เรื่องอริยสัจสี่จบลักษณะนี้นะแต่ฉันถามคําถามท่านได้หรือยังคะได้ได้ได้เอาเลยจากการที่ท่านเลยบุญได้ ขยายความเรื่องอริยสัจสี่จนกระทั่งทําให้เราได้ทราบว่าเพียงแต่รู้อริยสัจสี่เนี่ยก็ไม่ต้องมีความรู้เรื่องอื่นอีกแล้วเพราะว่าเหมือนกับรู้ในสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็สอนแต่เรื่องนี้เพียงเท่านั้นแล้วก็ได้บอกว่าอย่าไปคิดอย่าไปถามอย่าไปสงสัยเรื่องอื่นเลยใช่ไหมการให้สนใจเรื่องอริยสัจที่มีประโยชน์ที่จะพาเราหนีความทุกข์ทั้งหลายทั้งปว ง, งได้เลยดีกว่าเนี่ยนั่นเลยอยากจะกราบเรียนถามท่านนะคะงั้น ในเรื่องที่เขาวุ่นวายกันอยู่ทุกวันเนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองเขาพูดเรื่องอริยสัจสี่กันน้อยที่สุดเลยนะคะท่านคะนี่นี่พูดตรงๆนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าพูดก็คงจะพูดแต่ถึงเรื่องว่าข้อที่หนึ่งอริยสัจคือทุกข์คือสิ่งที่พูดเน่ยดูเหมือนกับว่าถ้ามาแปลตามธรรมะของพุทธองค์เป็นล้วนแต่เรื่องทุกข์แต่เขาไม่ค่อยจะพูดถึงการหาเหตุแล้วการดับทุกข์ในลักษณะที่เป็นธรรมมะ ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับว่าหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อ น, น, นะคะใช่แล้วบางเรื่องเนี่ยอย่างเอาดิฉันยกง่ายๆเลยนะคะคือเรื่องปรองดองอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าๆๆมันก็พูดกันมานานมากแล้วก็ไปถึงไหนไม่ได้สักทีหนึ่งอืมมันยากกว่าเรื่องจะพ้นทุกข์หลุดพ้นหรือยังไงก็ท่านคะเออย่างเรื่องปรองดองหรือเรื่องความสามัคคีมันสร้างเหตุกันไม่ถูกอะถ้าคุณยังมีกามีความพยายามต้องมีการแบ่งเค้กไม่มีทางปรองดองได้ แต่เมื่อไหร่ที่เราเลิกพูดเรื่องการเลิกพูดเรื่องปฏิบาทเลิกพูดเรื่องเบียดเบียนจึงจะปราองดองได้อันนี้จะอธิบายขยายความให้ฟังในวาระต่อๆไปก็ได้แต่ประเด็นที่ต้องการจะพูดตรงนี้ก็คือว่าเวลาถ้าเราต้องการจะพูดนะนะคุณยมติว๋วสมมติคุณต้องไปทํางานในในที่ทํางานอย่างนี้ใช่ไหมต้องติดต่อกับผู้คนถ้าเราไม่คุยกับเขาเราจะไปเข้าใจเขาได้ยังไงแจะพูดแต่เรื่องอริยสัจสี่มันก็เป็นคนละแนวพระเชษาบอกว่าจะพูดเนี่ยถ้าจะพูดถ้าจะกล่าวนะก็จงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์ เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือพูดในลักษณะที่เป็นธรรมะมีส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลเกิดดับอย่างนี้พูดได้ลักษณ ะ, ะ น, นี้นะค่ะก็คือสรุปแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราท่านทั้งหลายที่จะเข้าใจตามที่พระพุทธองค์พยายามตรัสสอนหรือเปล่าว่าอริยสัจสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ต้องพยายามทําตัวมาเข้าใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็เท่านั้นแหละนะคะ อ, อริยศสตร์สี่ก็ยังเป็นอริยศาสตร์สีที่รอยอยู่บนอากาศให้ท่านคว้าเอาไปใช้อยู่ทีนี้ต้องต้องย้ํากับท่านผู้ฟังตรงนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําไม่ได้นะนเป็นเรื่องที่เราทําได้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างเงี้ยเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราก็คุยในลักษณะของคุยเป็นธรรมะก็ได้คุยธรรมดาธรรมด า, ามีเหตุเกิดมีเหตุ ด, ดับได้ทําไมจะไม่ได้ <No. S 2> นะคะต่อไปนี้ถ้าพอพูดถึงเรื่องตรองดองปุ๊บ ก, ก็บอกว่าเนี่ยหายังไม่จบมันเป็นทุกข์นะหเหตุกันก็ว่าไปเพียนแต่ว่าเวลาเรามันมหมดแล้วให้วิเคราะห์ซะแล้วค่ะท่านคะก็ต้องนวมสการกราบเรียนให้ท่านได้นําเอาเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ซึ่งนับวันนี้น่าสนใจมากขึ้นเราได้รู้ในแง่มุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากการศึกษาพุทธประวัติทั่วๆไปนี่เราเชื่อว่าพระพุทธงรัตน์เองมาฟังกันต่อ พร้อมทั้งเรื่องอริยสัจสี่วันนี้นำ้ำมการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย์เพลินพานค่ะท่านฟังค่านั่นคือพระภับูร์อภิปุโนนะคะวัดป่าดอนไฮโซดรธานีที่ศรัทธาในาพุท ธ, ธวัจนะเช่นเดียวกับพระภิกษุอีกเป็นจํานวนมากแล้วก็พวกเราเป็นจํานวนมากนะคะศรัทธาในาพระพุท ธ, ธองค์ะคะ่ะเราก็จะพบกันในรายการนี้แหละนะคะสัมม น, น, นาสนทนาคําถามของท่านท่านไันบูร์ยินดีตอบนะคะส่งไปที่เพียวธรรมะดอทคอมสล่ส่วน0ูนย์ส 2690006เบอร์โทรศัพท์นี้ก็ยังยินดีที่จะรับคำถามเช่นเดียวกับให้ท่านขอพุทธวัจนะมาจะได้ไปศึกษาใคร่ครวญกันว่าพระศาสดาเราตรัสอะไรไว้อย่างไรบ้างชนิดที่มีความละเอียดละออประณีดในการที่จะตรัสเนี่ยนะคะเราไปศึกษากันเป็นอภิญญาณ น, นาการจากท่านคอกฤทิ์นะคะโสธทิพโลวัฒนาปาพงลำลูกาคลองสิบค่ะ สำหรับรายการของเราเออกอากาศทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรติดำเนินรายการโดยสัรสนีนาพงศ์ในวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวัดสวัสดีค่ะ